พอมองเห็นช่องทางไหมพอมองเห็นไหมพอเห็นจุดอ่อนจุดแข็งเราไหมต้องรู้จุดอ่อนเราด้วยนะจุดอ่อนของเราเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนคืออะไรรู้ไหมคืออะไรตัวขี้เกียจ <laughs> ตัวขี้เกียจตัวผัดวันประกันภุ่งตัวขี้เกียจตัวผัดวันประกันภู่งตัวที่อนุโลมตามกิเลส ตามความอยากนี่แหละมันทําให้เราอ่อนแอพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ทรงออกขนวดคําว่าอ่อนแอไม่มีคําว่าขี้เกียจขี้ ค, ค, ค้านไม่มีมุ่งอย่างเดียวเลยมุ่งไปถูงเป้าหมายคือการตรัสรู้รมก็คือถึงพระนิพพานนั่นเองหาทางออกให้กับจิตตัวเองให้ได้นี่มันแตกต่างกันตรงนี้จิตของคนเราเข้าใจไหม แตกต่างกันตรงนี้เพราะนั้นจิตมันไม่เอาแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะปลูกจิตเราเราให้มีพลังมีกําลังที่จะมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานมันก็ไม่ได้มันก็จะไม่เอามันก็ดลีกเลี่ยงนู่นนี่นั่นพอถึงเวลาจะทำมันก็ไม่ได้อุปสรรคน่ยมันมีเวลาเราปฏิบัติก็ต้องมีบ้างมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาบ้างคนนั้นคนนี้บ้างอะไรบ้างแต่มันก็จะผ่านไปเพราะใจเรามันสู้ไงมันมาก็เดี๋ยวก็ดับมาเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็ หาอุบายแก้ไขจิตเราได้มันก็กลายเป็นปัญญาไปมันก็ผ่านไปช่วงที่ยากก็คือช่วงที่ก่อนจะบรรลุพระสวัดาบัณนี่แหละมันเหมือนกับว่าเราจะสว่านี่เราเข็นอะไรขึ้นไปข้างบนสว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตอนที่เข็นขึ้นมายากที่สุดเลยพอเข็นขึ้นมาถึงตรงนี้พอมันหัวมันเอียงลงมาอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึันยงไหมเออหรือจะติดอยู่บ้างอะไรบ้างแต่มันก็ตึ๊ดตึ๊ด๊ไปเรื่อย แต่ตอนนี้ลำบากที่สุดเลยเข็นเข็นเข็นใครผ่านตรงนี้ได้พ่อหัวมันเริ่มเอียงลงมาทางนี้พอมันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะพอมันเริ่มเอียงอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ ด, ต ด, ต ด, ต ด, ตดนี่อา่ามันจะเร็วแล้วก็เคล็ดลับอันหนึ่งก็คือย้ำกับตัวเองทุกวันเลยย้ำเลยกราบพระกราบพระบ่อยๆ อ, อธิษฐานจิตหรือตั้งปณิธานทาจิตให้แนวแนบตั้งความปรารถนาเอาไว้ ว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ปรารถนาความพ้นทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตั้งความปรารถนาที่จะตัดสรู้ธรรมไม่ได้ธรรมดานะพุทธิยานต้องปรารถนาแล้วปัถนาอีกคิดในใจเฉยๆนี่ว่าเราเนี่ยจะต้องตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้เพื่อให้รู้ความจริงให้ได้เจ็ดอาสงไัยเวียนไหวาตายเกิดคิดอยู่อย่างนั้นน่ะจะเอาให้ได้จะให้ได้ให้ได้คิดๆอย่างเดียว แล้วก็คิดแล้วต่อมาพูดด้วยเราจะเอาพูดกับคนนั้นบ้างพูดกับคนนี้บ้างบอกความตั้งใจของตัวเองประกาศออกมาอีกเก้าอสงไขยต่อมาได้รับพยากร์อีกผู้เจ้าทีปังกรสัมมาสัมเด้าพยากรณ์ว่าจะต้องได้เป็นผู้เจ้านับจากนี้ไป24ี่พระองค์องค์ที่ยี่สิบห้าจะได้เป็นผู้เจ้านามว่าโคตมะมีอักษรวกเบื้องขวาชื่อสารีบุตรมีอักษรวกเบื้องซ้ายชื่อ โมคะลา น, นะพยากรณ์เสร็จอีกสีอสงไขยแล้วก็แสนกลับนี่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นเลยของเราเป็นสาวโกนี่เต็มที่แสนกลับเต็มที่แสนกลับไม่ถึงอสงไขยเลยแสนกลับได้แน่นอนถ้าใครเริ่มปฏิบัตินี่ไม่แน่เราก็อาจจะทำมามากแล้วก็ได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่ธรรมาดานะเนี่ยคนทั่วไปมาได้ไหม ไม่ได้ถ้าไม่มีบุญไม่มีเว ร, รมีไม่มาหรอกมาถึงขั้นนี้เราต้องได้ต้องได้ถ้าจะเอานะเออนี่เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่างนี้แต่ก็ต้องสร้างวินัยขึ้นมาเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านี่มีธรรมและก็มีวินัยวินัยนี่ก็คือการบังคับควบคุมตัวเองให้มุ่งตรงต่อเป้าหมายของเราแล้วเราก็ต้องฟังธรรมะบ่อยๆมันจะได้เข้ามากล่อมเกาจิตใจของเรามองเห็นโลกว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วมันจะมองเห็นคนที่สาลวอนอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนโอ้โหน่าสงสารไปเลยอะ่ะเอาเงินเอาทองเอานุ่นยศถาบรรดาศักดิ์หลอกลวงทั้งนั้นเขาจะไหมของหลอกลวงทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเลยเพอตายลงไปปุ๊บมันเอาไม่ได้แล้วถ้าจิตของพระหรันถ้าก็เห็นพวกนี้เป็นของหลอกลวงบ้างเปล่าเพราะท่านไม่เอาอะไรเลยไอ้พวกยศถาบรรดาศักดิ์พวกอะไรนี้มีก็ชายไป เห็นเขามีอะไรก็ไม่ว่ากันเพราะเรื่องของโลกเขาจะไหมไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้ไปตาหนตติติดเตียนเขาแต่จิตของท่านเห็นมันไม่มีความหมายไม่รู้จะปรุงแต่งขึ้นมาทำไมไอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนจะดีอ่ะพอเราเห็นเขามีชื่อมีเสียงมีอะไรต่ออะไรมันก็ดูว่าโอ้ยอย่างดารานี่คนกำลังห่อมร้อม โ, อ โ, อโอู้ใช่ไหมแต่มันกำลังทุกข์อยู่เขาไหมอะไรต่ออะไรบีบคั้นน่ะทรมานที่สุด เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาวิ่งไปวิ่งมาอย่างว่านี้มันมองเห็นเขาเป็นทุกไปมันก็เลยไม่อยากเอาอะไรหมายว่าเราเห็นแล้ความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้มันมีหลักฐานอยู่ในใจเราเนี่ยสงบแล้วก็สบายที่สุดสว่างสะอาดสงบไม่มีอะไรมาทําให้เราเป็นทุกข์ได้มันเห็นตรงนี้ละมันก็ไปเปรียบเทียบอนุอันนี้เนี่ยเ น, นี่ตรงนี้เท่านั้นแหละที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์นั่นเอง ดับจะไปวิ่งหาอย่างอื่นมาเพื่อให้ตัวเองเป็นความสุขไอ้นั้นแหะเล็ ก, ลกๆน้อยๆไปเป็นความสุขทางโลกไปแต่ความสุขทางโลกมันยังมีทุกข์อยู่มันก็ไม่อยากเอาะแต่ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้นะมีได้แม้พระหานก็ต้องมีเหมือนกันเพราะท่านต้องมีชีวิตอยู่ต้องรักษาธาตุขันแต่ท่านไม่มีความอยากด้วยอานุภาพของธรรมเนี่ยมันจะมีมันจะไม่อดไม่อยากมันจะมีมาเรื่อยๆมีอะไรต่ออะไรคอยคุ้มครองรักษาอยู่ หรือผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าใครมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้คอยจุนเจือช่วยเหลืออยู่ในทางแห่งธรรมะเนี่ยมันเป็นทางแห่งความเจริญของชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราผิดไปจากธรรมเนี่ยปัญหาเยอะที่สุดเลยโคตเดี๋ยวก่อนนันนนน่นนี่นั่นอันนั้นอันนี้แยกไปหมดเลยเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะกรรมที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องที่เขาทําแล้วมันก็จะวิ่งมาเกิดนูดเกิดนี่ขึ้นมาแต่ถ้าเดินตามทางธรรมะ ว่าเราเคยมีกรรมเก่าๆเอาไว้เนี่ยมันก็ให้ผลให้ผลแต่ว่ามันใช้กรรมปล่อยไปข้ามไปข้ามไปข้ามไปอย่างเงี้ยมันก็เลยกรรมก็น้อยลงน้อยลงเบาลงเบาลงออกจากกรรมได้รวมทั้งความคิดที่ไม่ดีของเราด้วยก็รู้ว่ามันเป็นความเคยชินของจิตเรามันไม่ใช่เราจริงเกิดแล้วก็ดับมันก็วางไปวางไปอ อ, ออกจากกรรมก็ได้ออกจากทุกข์ก็ได้ออกจา ก, ออกจสิ่งไม่ดีทั้งหมดได้ธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันปนระเสริฐที่สุด มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราแต่ว่ามายุคสมัยของเรานี้น้อยคนที่จะมาเข้าใจตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นยุคที่เสื่อมอันที่จริงเนี่ยศีลธรรมมันเสื่อมหมดแล้วมันเสื่อมหมดแล้วมันเหลือแต่ผู้ที่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่นิคอยช่วงสมเดุลอยู่ทําให้โลกเราเนี่ยเสื่อมช้าลงไปนิดหนึ่งถ้าหมดจากการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ต่อไปมันจะหมดเขาจะไหมมันจะไม่มีผู้ปฏิบัติธรรม จะไม่พูดถึงพูดถึงก็คนก็นจะตําหนิตีเตียนเป็นของไม่ดีไปเป็นของคําคือเป็นของโบราณเอามาใช้ในยุค ป, ปัจจุบันไม่ได้อะไรทํำนองนี้แล้วมันจะดศูญหายไปอั น, นั้นจะเสื่อมลงไปธรรมะเสื่อมลงไปเมื่อไหร่อายุของมนุษย์ก็จะสั้นลงไปสั้นลงไปสั้นลงไปจนอายุ10บปีพระเย้าพยากรณ์เอาไว้แล้วเมื่อมนุษย์อายุ10ปีจะกินหญ้าเป็นอาหาร มีชื่ออย่างนึงโยยากกับแก้ไม่รู้เป็นยังไงอาหารที่เรารับประทานปัจจุบันนี้จะไม่มีรสชาติจะไปพอดีกับหญ้ากินหญ้าแล้วก็จะไม่มีคําว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรก็เสพสมกันไปจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเจวันเขาเรียกว่าสัตทันตะลักบมีเขาเรียกมิดสันยีเกิดขึ้นเจ็วันเป็นโลกมืดมืดหมดเลยมืดมิดแล้วมนุษย์เนี่ยเห็นการนี่ก็จะเห็นเหมือนในพรามเห็นเนื้อ คือจะฆ่าอย่างเดียวพ่อเห็นแม่ก็จะฆ่าพ่อเห็นลูกก็จับอาวุธมาฆ่าลูกเห็นพ่อก็จับอาวุธฆ่ากันฆ่ากันเห็นใครก็ไม่ได้ฆ่ากันหมดเลยแต่ก็จะมีคนที่มีบุญที่ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยจะมีบุญแล้วก็หลบไม่อยากฆ่าใครแล้วก็ไม่อยากถูกเขาฆ่าก็จะหลบไปอยู่ตามถ้ำจะเริ่มกินลากไม้เริ่มกินผลไม้เข้าไปอยู่ในป่ากินลากไม้ใบไม้ผลไม้เริ่มกลับคืนมาพอครบเจ็วันปุ๊บ พวกที่หลบอยู่ในป่านี้ก็จะออกมาคนตายก็ตายเกินมาเห็นก็ดีใจว่าเรารอดเรารอดกระโดดใส่กันกอดกันรักกันเลยที่นี่รักกันเลยแล้วก็จะคุยกันมาเห็นไหมที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดศีลธรรมน่าเริ่มรักษาศีลใหม่นี่ชีวิตอายุของมนุษย์จะเริ่มขึ้นแล้วที่นี่สวัสตอนหน้าอายุ10ปีพอแต่งงานกันพวกที่อายุสิปีเนี่ยข้อลูกมาลูกจะอายุ20ปีมันจะเริ่มเพราะรักษาศีล ทีนี้โลกกจจ็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุประมาณ 80,000 ปี 80,000 ปีนี่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิปกครองแล้วพระพุทธเจ้าชื่อว่าเสียยะเมตรัยจะอุบัติขึ้นมาในยุคนั้นเ พ, พราะสิยาเมตรัยนี่เกิดในยุคที่มนุษย์เจริญรุ่งเรืองมากมีศีลศีลครบเพราะว่าเขาเห็นโทษ มันจะถ่ายทอดกันใช่ไหมถ่ายทอดกันถ่ายทอดกันถ่ายทอดกันเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยว่าพ่อแม่ปฏิบัติธรรมพาลูกกราบไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนแล้วมันจะถ่ายทอดคุณธรรมอันนี้เข้าไปเข้าไปสืบทอดกันไปถ่ายทอดกันไปอายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วศีลจะสมบูรณ์ธรรมะสมบูรณ์เขาเรียกว่ามีกุศลกรรมมบทสิบครบถ้วนกุศลกรรมมาบทกุศลกรรมก็คือกรรมมบทก็ทางออกของกรรมทางที่จะเกิดกรรม เป็นฝ่ายกุศลมี10บข้อกายกรรมสามเคยได้ยินไหมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนี่นี่อกุศลกรร ม, มบทไม่มีไม่เกิดขึ้นอกุศลกรร ม, มบทก็ตรงข้ามกับกุศลอยากรู้ไหมกุศลกรร ม, มบดมีอะไรบ้างถ้าใครมีกุศลกรร ม, มบทสิอย่างพระวิญญารับรองเลยปฏิบัติธรรมได้ง่ายสามารถพ้นทุกได้มีกุศลกรร ม, มบดแล้วจิตมันจะสงบ สงบแล้วมันก็จะมาทําความเข้าใจเรื่องชีวิตตัวเองนี่แหละไม่ว่าจะพิณาอะไรก็เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่มีเรานั่นเองพิณาแบบไหนก็ได้มันจะเห็นว่าไม่มีเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพื้นฐานที่ดีอะกุศลฝ่ายกุศลเต็มะมันก็จะไปเองเลยจิตเนี่ยการพิณานี่เขาเรียกว่ามีโยนิโสมันสิการวันแรกเราพูดถึงใช่ไหมว่าคนที่จะบรรลุปเป็นพระโสดาบันเนี่ยฟังธรรมะมากๆฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็มาทําความเข้าใจ ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆแต่ทําย่อยๆที่เกิดขึ้นให้มันเป็นไปเพื่อการปล่อยวางสอดคล้องกับพระนิพพานหรือสอดคล้องเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นโยนิสวงมรรคการก็คือทําความเข้าใจมันเจ็บขึ้นมาก็ดูมันเห็นมันโอ้นี่เห็นไหมความเจ็บนะ่ะมันเป็นอันหนึ่งไม่ใช่จิตมันอยู่ที่ร่างกายมีเริ่มต้นแล้วเนี่ยอต่อมาก็มันไม่สนใจร่างกายแล้วเจ็บรู้สึกว่าสักจว่าเจ็บใช่ไหมล่ะ เจ็บก็เป็นสิ่งถูกรู้ผู้รู้ก็คือตัวจิตเนี่ยมันก็เริ่มขยับขึ้นไปที่แรกมีกายมีอะไรเนี่ยมีความเจ็บก็เป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยต่อมามันไม่สนใจกายแล้วเจ็บก็เหมือนเป็นอันหนึ่งเป็นลอยๆอยู่อ่ะสักว่าเจ็บต่อมาอีกมันก็เหมือนกับมีผู้รู้กับสิ่งถูกรู้เท่านั้นเองมไม่ได้สนใจเลยว่ามันคืออะไรเหมือนไม่ละคายเครื่องจิตใจของเราเลยแจกนกกำลังมันก็เข้าไปที่เดียวกันใครจะมาอย่างไงก็ตามมันจะไปที่เดียวกัน เคยมีคนหนึ่งอายุมากแล้วนะก่อนจะมาเนี่ยเวลาเขานั่งตอนแรกก็มีเรื่องราวเรื่องลูกเรื่องโน่นเรื่องนี้โอ้ยลุ่มกุ้มลุ่มจิตทีนี้ก็บอกว่าวันนี้ให้ทนให้อดทนเจ็บก็ต้องสู้ก่อนเพราะจิตไม่มีกําลังเขาจะไหมจิตไม่มีกําลังไม่มีพลังเลยเวลาเรื่องราวมันเข้ามาจิตไม่มีกําลังก็รับเข้ามามันก็มาปรุงแต่งขึ้นในจิตเขานี้บอกให้สู้แต่ก็นั่งแต่สู้ พอนั่งพอพาหยุดนะแกรีบรายงานใหญ่เลยวันที่มันเจ็บโอ้ยโยมสู้หน้าดูเลยแล้วเป็นยังไงล่ะมันปล่อยวางได้บางจังหวะมันก็เข้าไปคุกบางจังหวะก็ปล่อยได้โยมรู้แล้วโยมอยู่แล้วเขาว่าต่อไปโยมจะสู้วันต่อมาอีกถามอีกเป็นยังไงมันเหมือนกับมันมันมันเจ็บเจ็บขึ้นมาแล้วพอโยมสู้แล้วมันก็เหมือนมันลอยๆอยู่นี่ก็พูดเหมือนกันนี่แหละเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครได้สู้มันจะทําให้จิตมีพลัง กิวิธีอื่นก็ได้เหมือนกันแต่วิธีนี้มันเหมาะสําหรับคนที่จิตไม่มีกําลังแหละพอสู้แล้วมันจะมีกําลังขึ้นมาพอวันที่จะมานี่ลงมาได้กันถามมาแล้วเป็นยังไงอะไรอย่นี้เรื่องลูกอะเป็นยังไงเขาก็อยู่ของเขาเห็นไหมเพราะมันแยกออกได้เวิทยาก็อยู่ส่วนเวทนานี่จิตเป็นจิตแล้วเนี่ยมันมีกําลังแล้วทีนี้พอคิดถึงลูกปั๊บก็เรื่องของเขาเนี่ยมันก็เบามันก็สบายแล้วลูกอยากได้อะไรก็เอา้ามันพอให้เขาได้ก็ให้ไปมร ด, ดกมรดกเพราะลูกเขาก็อยากได้ แม่ก็ยังคิดว่ามันไม่ถึงเวลาอะไรแม่ก็ยังอะไรบ้างเผื่อเพราะแม่จะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่ลูกลบเล้าอยากเอาเพราะว่าลูกก็มีสามีมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยากได้อ่ะอสามีก็เอานี่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวลูกคนนั้นคนนี้มาเอาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ล่ะมันก็เกิดความอยากขึ้นมามันก็พูดบ่อยๆแต่แรกพูดบ่อยๆแม่ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะก็อเอามาเก็บมาปรุงแต่งอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่พอเห็นแบบนี้ปั๊บไม่เอาแล้วอ่ะเริ่มเห็นแล้ว มันก็ไม่มีอะไรอะ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยมันไม่กลัวตายด้วยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเขาเอาไปก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันแหละแล้วตายไปแล้วมันก็รู้ด้วยถ้าจิตไม่ดีไอ้ตัวจิตเนี่ยไอ้ความรู้สึกอันนี้แหละมันจะไปสวมร่างใหม่เขาจะไหมมันจะไปความรู้สึกแบบไหนไปถ้าความรู้สึกเป็นทุกข์ไปมันจะไปหาที่เป็นทุกข์นี่คือตัวจิตนี่แหละเนี่ยเพราะนั้นจิตนี่สําคัญมากแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยความทุกข์ันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ปล่อยวใะ จิตสบายเลยที่นี่ไม่กลัวแล้วบายภูมิมีพระโสดาบันอีกปิดประตูใบยยภูมิได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เอาไอ้เรื่องที่มันจะทําให้จิตเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยจิตเศร้าหมองเสมอมันทิ้งหมดอ่ะมันก็แค่อารมณ์เฉยๆเพราะเรารู้แล้วจิตเนี่ยมันมีปัิญาอยู่ใช่ไหมล่ะตัวจิตเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันเป็นธาตุรู้สักแต่ว่ารู้ตัวจิตเนี่ยแต่เวลามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีผลต่อจิตเราจิตมันจะ มีความรู้สึกและคลายเครืองอะไรขึ้นมอมเจืออัอ ด, อดขึ้นมาถ้าเป็นทุกขเวทนามันก็อยากให้หายเกิดความอยากขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไปคนก็วิ่งตามความคิดอันนี้เข้าใจไหมแล้วมีตัวตนไหมความคิดนี่ไม่มีแต่เราไม่รู้ทันมันเราหลงยึดความคิดว่าเป็นเราอยู่เราก็เลยทุกเพราะความคิดของเราเองเข้าใจไหมแต่จริงๆมันเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่มันต้องเกิดขึ้นหรือเวลามันทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นมามันก็อยากเอา อยากก็ดิ้นหลนอีกความอยากอีกแบบหนึ่งจะเอาที่นี่อันหนึ่งจะอยากให้มันสูญสลายไปก็ทุกอีกแบบหนึ่งปรุงแต่งเพื่อจะให้มันหายหน้าไปถ้าเป็นคนก็ชังมันลำคาญมันปวดเครื่องมันใช่ไหมล่ะอยากให้มันตายจากโลกนี้ไปเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยมันก็อยากให้มันดับไปแต่ว่ามันผิดธรรมะเพรอธรรมะเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเกิดเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปเองมันไม่ได้มีอะไรเลยสําคัญตรงจิตเรายึดหรือไม่ยึด นี่แหละตรงจิตนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำมาทำไม่ใช่เรานีตัวจิตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะจิตถ้าเปรียบเทียบกับแม่น้ําตัวจิตเน่ยเหมือนน้ําแต่มันจะมีเวลาลมพัดมามจะมีคลื่นตึ๊ดตึ๊ ต, ต, ต, ต, ตัวคลื่นนั่นแหละเป็นอารมณ์ทั้งหลายเข้าใจไหมคลื่นใหญ่คลื่นเล็กก็เป็นเหมือนความคิดนึกปรุงแต่งสารพัดเรื่องแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุบัจจัยแล้วอาศัยจิตเราเกิดถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะน้อมเข้ามาหาจิตเราไม่ได้มีอะไรเลยเเกกกิิดด็ไปแค่ขึ้น โอเคฟองน้ําอันนี้เป็นหลงยึดฟองน้ําอ่ะวิ่งตามฟองน้ํากลัวฟองน้ําจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยากให้ฟองน้ำเป็นยังไงเงี้ก็วุ่นวายสิเ <c oughs> พราะฉะนั้น <c oughs> แค่ฟองน้ําเอาง่ายๆเลยทิ้งเลยปล่อยหเยวยว่างเลยเนี่ยเมตตาจิตเดีวกัแค่มันเหมือนน้ำอะ่ะเหมือนเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่เราถ้าเข้าใจตรงนี้ได้นะวางใจง่ายๆเลยอะไรมาก็เฝ้าดูมันเฝ้าดูมันแต่ด้วยอํานาจความหลงของเราที่มันมีกําลัง มันก็ยังมีตัวตนอยู่ใช่ไหมล่ะเข้าไปร่วมเรารู้ทันเดี๋ยวก็ดับอีกเนี่ยเราก็ฝึกไปอย่างเงี้ยค่อยๆฝึกไปไม่ใช่ว่าทีเดียวเลยนะเวลาปฏิบัติก็ฝึกไปจนกว่าจิตเราจะยอมรับแต่พูดอย่างอื่นก็พูดไม่ได้อีกเพราะมันความจริงมันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมไม่พูดอย่างนี้ก็พูดไม่ได้เพราะความจริงแบบนี้แล้วใครพบมันก็ต้องเป็นแบบเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเวลาอยู่เฉยๆมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะแต่ถ้าได้พูดออกมามันจะมีกําลังที่จะพูดคล้ายๆกับมันมันมีอะไรอยู่่ะ มันได้พูดความจริงอะไรอย่างนี้มันอานไหนเป็นประโยชน์ก็พูดไปอ้าวสุดท้ายแล้วมีใครจะถามอะไรไหมอยากถามอะไรเพิ่มเติมัหมเดี๋ยวเราจะหยุดแต่ก่อนจะหยุดนี่จะให้สํารวมจิตใจสงบจิตใจสักหน่อยนะจะให้สงบจิตใจสงบจิตใจเพื่อที่จะได้มีบุญมีอนุภาพที่จะแผ่เมตตาเพื่อจะอุทิศบุญออกไปได้ เป็นการโปรดสัตว์เนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่าผลจากการปฏิบัติธรรมของเราจากความสงบของจิตใจของเราหรือจากการปล่อยวางได้ของจิตใจของเราอันนี้มันเป็นเนื้อหาของบุญเป็นบุญที่สูงที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าบุญที่สูงสุดก็คือตัวปัญญานี่เองตัวที่มันมาช่วยขัดเกลาจิตเราตัวที่มันมาช่วยดับทุกข์ในใจเรา อันเนื้อหาของความเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นบุญมันจริงมากที่สุดก็ได้ให้เราสํารวมจิตใจเราเข้ามานะทําเหมือนไม่เอาอะไรเลยอ่ะดีที่สุดเลยเหมือนกับว่าเออเราเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ว่าเราขอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเจตนาว่าเราจะสํารวมจิตเราให้บุญเกิดขึ้นบุญกับ ปัญญาอะไรพวกนี้มันจะมาบรรจบกันนะปัญญากับธรรมะบุญกับธรรมะมันจะมาบรรจบกันสุดท้ายมันจะมาเป็นเนื้อหาอันเดียวกันเลยเพราะนั้นบุญสูงสุดก็คือถึงปณิธานนั่นเองเอาให้สํำรวมจิตใจนะเข้ามาเอาจิตเข้ามาเข้ามานะแล้วก็มาทำความเข้าใจเนี่ยสูงสุดก็คือมาทำความเข้าใจเอาจิตมามองดูร่างกายก็ได้มีคนหนึ่งเขาไปที่ภูไม้หาว เขาไปก็เข้าไปในเสนาสนาป่ามันมีป่าไปนอนในป่าเนี่รู้สึกจะเคยเล่าอยู่นะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังนะนอนในป่าวันแรกขณะที่เขากำลังเคิมเคิมนอนลงไปแล้วเคิมเคิมก็มีผู้ชายสองคนมาหอบเต็นท์เขาไม่ใส่เสื้อเขาว่ามีแต่กางเกงหอบเต็นท์แล้วบอกว่าเอา้าไม่ให้อยู่นะที่นี่เดี๋ยวจะโยนลงลงเขาโยนลงหิวเขาก็ทาท่าทาทาง หอบเต็นท์เขานอนอยู่ในเต็นท์แต่ว่าจิตของเขามั่นคงเขาก็บอกว่าไม่ต้องหอบไม่ต้องหอบอยากได้บุญใช่ไหมเดี๋ยวให้บุญให้บุญให้บุญเนี่ยคนหมั่นอุทิศบุญใจมันจะเป็นอุเบกขาใจมันจะสบา ย, ใ จ, จบายใจมั่นคงอยู่ไม่หวั่นไหวอะ่ะแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาตื่นก็บอกเอาให้ให้ให้เขาก็รีบให้บุญให้บุญให้บุญแถมยังบอกอย่างนะ้ถ้าบุญไม่พอไปเอากระท่านอาจารย์นะว่าอาจารย์คันชิดซะด้วยเออ <c oughs> เขาก็มาเล่าให้ฟังเราบอกเออสอบผ่านเพราะจิตเขามั่นคงดี สมาธิในขณะหลับนั้นมันเป็นสมาธิเพราะว่าเขาปฏิบัติตลอดชํารวมใจตลอดพราะมีเหตุการณ์ขึ้นในฝันในฝันเนี่ยมันหลับไปเนี่ยมันจะเป็นสมาธิสมาธิในขณะที่หลับมันเป็นสมาธิที่เต็มที่เพราะนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจิตก็มั่นคงต่อมาอีกวันที่สองเขาก็ไปใหม่ไปที่อื่นไปอีกหลังหนึ่งคราวนี้มันมาอีกแบบหนึ่งเขาว่ามันบีบเข้ามาเลยเขาว่าบีบเข้ามาเหมือนจะเป็นจะตายขึ้นมาเขาก็เลิกพิจารณาทําความเข้าใจว่า ร่างกายเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินธรรมะที่พูดกันที่สอนนี่แหละ ว, ว่าเรานี่ก่อนจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนี่นะเชื้อของพ่อไข่ของแม่ผสมกันเท่านั้นเองแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาอ่าแล้วก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมานี้เราก็แก่ลงไปแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพอมาถึงตัวไม่มีอะไรก็มันก็ดับพึบลงไปสลายบอกไปร่างกายเนี่ยมันสลายแล้วแต่จะพิณาแล้วจะทําความเข้าใจเพราะว่าพีิณาแง่ไหนมุมไหนแล้ว เพื่อให้มันไม่ใช่เหล่าแต่ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิด้วยจิตต้องตั้งมั่นด้วยไม่งั้นมันไม่ชัดเจนนะยังมาคิดเอามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติจึงจําเป็นต้องเจริญสติให้มากๆไว้แล้วก็มีวินัยในตัวเองอย่างที่ว่านั้นก็คือพยายามพยายามทําให้มันต่อเนื่องมีการมีงานก็ทําไปนณะที่ทําอยู่ก็รักษาจิตตัวเองไว้นี่เน้นที่รักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายทําอยู่งั้นสุดท้ายมันก็ต้องมีกําลังขึ้นมาสักวันหนึ่ง อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้าทําอย่างนี้ทุกต้องน้อยลงไปแน่แนชีวิตเราต้องดีขึ้นแล้วพอเขาก็ตั้งใหม่อีกเนีย่ยก็เข้าไปตั้งแต่ไม่มีอะไรเชื่อพ่อไข่ผสมกันแล้วก็ไล่ขึ้นมาไล่ลงมาดูการจการเลื่อยมาสุดท้ายมันก็ดับพึบลงไปอีกเหมือนกับตายลงไปคล้ายๆอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเขาตายลงไปดับพุบลงไปแล้วก็เอาอีกย้อนไปย้อนมาแล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาหาเขาเล่าให้ฟังเอจิตของเขานี่ มันสบายเลยมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรมันไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ก็คือว่ากําลังที่จะบอกให้รู้ว่าพี่นาอะไรก็ตามเพื่อให้เห็นว่าให้จิตมันยอมรับว่ากายกับใจไม่มีเราไม่ใช่เร า, ไ ม, เาไม่ใช่ของเรานั่นเองตอนแรกมันอาจจะชัดที่กายก่อนเพราะว่าตัวจิตเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมันชัดเจนที่กายก็เอากายก่อนได้หรือถ้าใครชัดเจนจิตเลยก็เอาจิตเลยเพราะว่าความหลงมันอยู่ที่จิตจิตทีเดียวได้ยิ่งดีใหญ่ พอตัวหลงหลงยึดจิตเนี่ยถ้ามันไม่ยึดจิตมันจะไม่ยึดอย่างอื่นเลยแต่ว่าถ้ามันทําไม่ได้เราก็ต้องเอาก่อน Bal antes. หรือเวทนาอย่างเงี้ยสุดทา้ายมันก็เข้าไปหาที่เดียวกันนั่นแหละพอเวทนามันวางเวทนาได้มันก็มาดูเนี่ยดินน้ําลมไฟที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันอันเดียวกันนั่นแหละสุภาพก็เอาอะไรก็เอาเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรามันเข้าใจเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางไปตอนที่มันเข้าไปอะไรอย่างงี้มันก็คนที่เห็นน่ะคนที่เขารู้สึก มันก็จะเห็นเองอันนี้มันพูดกันแล้วก็มันก็เดี๋ยวจะเอาไปเปรียบเทียบมันก็เลยตรงนี้เขามักจะเว้นกันนอกจากว่าบางทีก็สําหรับคนที่ปฏิบัติแล้วมีประสบการณ์แล้วเนี่ยต้องมาคุยกันอาจจะเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปนั่นเลยก็พูดแบบกว้างๆได้แต่ว่าคนฟังก็จะไม่เข้าใจพูดให้รู้ว่ามันมันเข้าไปสู่สภาวะซึ่งมันไม่มีไม่มีอะไรอ่ะ มันเป็นภาวะนิพพานนี่ก็หมายความาาว่ามันไม่เอาอะไรเลยวางหมดทุกอย่างดับไปจากจิตหมดนี่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันได้าะมีสิทธิ์ได้ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเชื่อเลยนะแต่ขึ้นอยู่ความเพียรขึ้นอยู่ความพยายามความอดทนแล้วก็ทำสติให้มากๆทํทำสติให้มากๆพอสติมันดีขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เอามานี่แหละดูกายเวทนาจิตธรรม แล้วพอมั น, มนลึกซึ้งเข้าไปแล้วมันจะเชื่อมกับขันห้ากายก็เป็นรูปประขันตายเวทนาเป็นเวทนาขันในจิตมันก็จะมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันและก็วิญญาณขันแล้วจะเห็นชัดหมดเลยพวกเนี้ยแล้วจะค่อยคายไปคายไปคายไป เ, เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้สารวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะให้เราปฏิบัติเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นช่องทางของตัวเองแต่ระวังอย่างเดียวก็คือว่า ให้พอใจสร้างเหตุพอใจปฏิบัติไม่ให้มีความอยากอยากเอาอยากเอาก่อเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความอยากขึ้นมาแต่จะไม่ให้อยากเลยก็ไม่ได้เพราะถ้าเราไม่อยากเราก็ต้องไม่มาปฏิบัติแต่ว่าให้มันกลายเป็นว่าเรารู้ทันมันถ้ามันอยากแล้วมันดับไปก็แล้วไปแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยไปปฏิบัติแบบปล่อยวางเอาเตรียมตัวนะเตรียมตัว เตรียมตัวเนี่ก็คือว่าวางกายวางจิตอ่ะคือทําความรู้สึกเหมือนว่าสุดท้ายมันก็ต้องตายอ่ะร่างกายอ่ะเหมือนไม่ใช่ของเราอ่ะเราทําความรู้สึกว่าเออเหมือนไม่ใช่ของเราเหมือนเราชั่วครา ว, วเฉยเพราะมันต้องตายอ่ะใครไม่เชื่อว่ากายต้องตายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ให้ร่างกายอันเนี้ยเวลาตายพาดลมมันไปก่อน ลมไปแล้วไฟก็จะดับไฟดับแล้วน้ำก็ทลักออกมาไหลยเยิ้มออกไปแล้วเหยไปสุดท้ายก็ภาา ด, ดินดินก็สลายไปไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรจิตก็นำ ม, มาทำก็รู้อยู่แล้วจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันเป็นแค่ธรรมชาติแต่มันรั่วลมได้เฉยๆแล้วก็มีอาศัยมีอะไรปฏิยาของมันอะ่ะเพราะว่ามันมีอยู่มันก็ ในโลกเราก็มีสิ่งแวดล้อมมีอะไรมากระทบกระทบเข้าไปมันก็จะเกิดปฏิยาของมันเกิดขึ้นมีความรู้สึกมันจะรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขบ้างทุกบ้างแต่แล้วจิตเราเนี่ยมันก็อยากให้ได้อย่างใจเราอยากให้สมอยากในตัวจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งนูน่นนี่นั่นขึ้นมาอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นก็ปรุงแต่งไปอีกแบบหนึ่งไม่อยากเอาก็อยากให้มันดับให้มันสูนให้มันสลายอยากมันหายไปจากโลก ปรุงแต่งไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละคนเราก็อยู่กับความนึกคิดปรุงแต่งเพราะไม่ได้มีอะไรเลยอะเหมือนน้ํากับฟองน้ํากับขื่นน้ํามันก็เลยหลงไปอยู่กับขึ้นกับฟองน้ําเวลามีลมมีอะไรพัดมาเราก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หลงยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเรามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเรารู้ไม่เท่าทานันถ้ารู้เท่าทันเนี่ยเอออันไหนคิดดีมันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกต่อเราเองควรทําก็ทําได้ โดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรกับมันมากรู้แล้วก็เอามาทําความเข้าใจแล้วก็ทําไปตามความเหมาะสมทําไปตามความเหมาะควรเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกเรายังไม่ตายไปจากโลกแต่ทําแล้วก็แล้วไปทําแล้ววางไปอย่างเงี้ยแต่ไหนไม่ควรทําก็หยุดไม่ทําเพราะนั้นมันจึงต้องมีการฝึกจิตให้สามารถบังคับควบคุมตัวเองได้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องดีงามแล้วจิตมันก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้น วางกายวางจิตนี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี่มีละสูงที่สุดละพระเจา้ากระทำก็วางกายวางจิตเหมือนกันอะวางเป็นแค่รูปนามเป็นแค่ธรรมชาติเหมือนกันเดี๋ยวว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็ได้มีก็มีชั่วคราวเฉยๆนะเดี๋ย ว, วเป็นอนัตตาก็ได้ลงส่วนัตตาหมดละอ น, นิจังทุกขังแล้วก็ลงส่วนัตตามีใครเดินจงกรมไม่เป็นมีไหม เคยเดินกันทุกคนใช่ไหมเดินจงกรมด้วยนะดเดินจงกรมและที่สําคัญก็คือเดินไปเดินมานี่แหละคือเดินชจงกรมสมัยพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงจงกรมอะไรเลยนะก็คือเดินปกติเนี่ยแต่ว่าให้มีสติรู้ตัวตอนหลังมาก็ครูบาอาจารย์ก็เริ่มเพิ่มเข้าไปอันไหนมันจะทําให้ได้ผลดีก็ทําขึ้นมาถ้เดินจงกรมบางทกีก็เดินช้า ถ้าใครรู้สึกว่าจิตมันหลุดง่ายก็ช้าๆได้คือปกตินี่แหละแต่ว่าให้รู้ตัวไว้รู้ตัวไว้ทางจงกรมก็บางคนเขาก็ชอบสันส้นๆเดินช้าๆบางคนก็ชอบยาวๆสุดช่วงตัวแล้วรู้สึกเหมันมันตื่นตัวดีเงี้ยถ้าใครสติไม่ค่อยดีนะอยากแนะนําว่ามูลป่ามีทางโน้นนะไปคนเดียวเลยรับรองเลยสตินี่อออือืระวังเต็มที่เลยนะ คอยฟังอะไรมันจะมาบางที่ปุงไปปุงมาเสียงก็แก๊กเลยดุ่งเลยกิงไม้หล่นก็ทิศมาเป็นนุ่นที่นี่นมาเนี่ยที่ก่อนจะมาเนี่ยที่วัดอาตมามันเป็นป่านะอยู่บนเขาเนี่ยมาเลเซียเขาสี่คนเขามาจากประเทศมาเลเซียเรามาปฏิบัติก็ามาปฏิบัติระยะหนึ่งแล้วละ่ะ ทีนี้อยู่ต่อมาก็พวกแมชีเขาก็พาไปเดินมันมีภูเขามันกว้างอมีภูเขาสองลูกติดกันเนู่ที่เราอยู่ภูไม้เฮาใหญ่และก็ภูไม้เฮาหน้อยที่พากจะไปดูภูไม้เฮาหน้อยและแอบไปเลยสองคนแอบไปตั้งแต่สิบโมงนะไปภาวนาเขาก็ไปภาวนากันทีนี้พอมืดแล้วมืดแล้วปรากฏว่าไม่หมาสองคนหายไป ก็คนเขาไปตามนะคนไปตามช่างเชิ่อ ง, งอะไรอยางนี้ในวัดมีคนไม่ชีบ้างอะไรบ้างตะโกนเรียกกันหาทั่วเลยตรงไหนคิดว่าเขาจะไปไปหาหมดเลยไม่เจอไม่เจอตื่นเช้ามาก็บอกว่าเอา้าทานอาหารเสร็จก่อนนะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปถ้าไม่มาก็ตามดูหาดูคงไม่ไปไหนหรอกเพราะว่า ภูของเราเนี่ยมันไปไหนไม่ไดม้มันมันมีน้ําล้อมรอบหมดแต่ลงไปก็เจอน้ําเจออะไรแล้วเขาตกลงกันแล้วว่าห้ามลงจากภูเขาให้อยู่ในนั้นหลงก็อยู่ในนั้นมันก็ไม่กว้างอะไรเท่าไหร่มันก็ตามปกติมันก็มีทางมีอะไรนะแต่ทีนี้กําลังฉันอาหารอยู่ม า, ามาเลเซียมาม า, ม า, มาพูดภาษาอยู่เราก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยผมก็ไปตามคนมาสัก่อนนะว่าฉันอาหารเสร็จแเราก็มาพูดกันแล้วก็ถามเขาว่าแล้วไปอยู่ไหนเขาบอกเขาไปนั่งภาวนากัน กลางคืนเนี่ยพอมันมืดแล้วพยายามที่จะกลับกลับมาแต่ว่าไฟฉายเนี่ยมันไม่เห็นทางเห็นก็ไม่ชัดเจนไม่กล้าก็เลยพากันไปนั่งสมาธิอยู่ในหินช่วงแล้วที่คนไปตามหล่งได้ยินเสียงเรียกอยู่แต่ฐานตอบมารับมาก็ไม่มีใครได้ยินแต่เขายืนยันนะครับผกไม่มีคําว่ากลัวเลยเขาอยู่กับอ e ิ T B ติ e T B ปิโสสวดอิติปิโสพระวาระเนี่ยคือค อ, อ, าอาศัยพุทธคุณไงสวดอ e ิติปิโสตลอดคืนเข้าท่าเหมือนกัน เราก็เลยบอกว่าเออคราวหลังเนี่ยจะจั บ, จบพาไปแล้วก็ปล่อยทิ้งเลตอกมาให้ไปคนเดียวด้วยคราวนี้ปล่อยเลยแล้วเขาบอกสติดีเชยดีกว่าเกา่าแล้วก็มีบางคนเคยไปเรามีเสนาสนับป่าไปทําไว้ตามป่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นหลังเป็นหลังกลางเต็นบางคนบอกเหมือนเหมือนเสียงคนเดินรอบรออ่ะทีนี้มาเลเซียเนี่ยเขาบอกองนี้เขาบอกว่า เขารู้สึกเหมือนคนเดินรอบเหมือนกันก็ว่าแต่ว่าเหมือนใบไม้หล่นหรืออะไรต่ออะไรเหมือนมือเชียงเหมือนคนเดินรอบเขารู้สึกอย่างเขาก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรก็ว่าเขาก็อยู่กับตัวเองก็เลยบอกว่าวันหลังจะไปเขาอยากไปอยู่บอกให้ไปเลยอนุญาตอัน <c oughs> นี้ไปสองคนอยู่กันสองคนป่านี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นวันนี้ใครอยากลองลองเลยท้งนี้นะมีป่ามีอะไรนะไปเดินก็ได้ อ, อ, อาเหลืออายังไม ตอนนี้มันยังรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยกล้าอะไรครับไปสักสองคนสามคนก่อนก็ได้ลองชิมดูก่อนเด้อในแต่มันไม่ไม่ดึกมากอรับถาให้เหนื่อยมากก็ลองแยกกันนั่งดูอะไรมีกุฏินะทางโน้อนอนะ่ะเคยเห็นไหมทางโน้อนอนะ่ะบินทางโน้นมีกุฏิด้วยเดินไปจะไปนั่งใต้ต้นไม้อะไรมันจะเห็นจิตตัวเองนะเร็วมากๆเลยจิตเนะี่ยพอเดินเข้าไปใต้ต้นไม้นะ่ะมีหญ้ามีอะไรหิระวังงูไะ เราบ้าพูดขึ้นมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวงูวะแต่ ง, งูยังไม่มาหรอกแต่มันพูดขึ้นมาก่อนแล้วเข้าไปที่มืดๆหน่อยก็เอ๊ะผีเปล่าหลอกตัวเองเดละยใครอยากเห็นจิตอ่ะเร็วมากเห็นจิตใครไม่เคยเห็นจิตลองไปดูตั้งสติดีๆนะแล้วมันจะเห็นจิตหละจิคิดมันพูดยังไงมันคิดยังไงเป็นความคิดต่อมาก็เป็นคําพูดในจิต นี่แหละสมมุติสมมุติที่มันมาจากข้างในแล้วก็เอามาพูดกันอ่ะวันนี้พอแค่นี้เนาะ